ตอนุชาตอนปูพู ป, ประการของพระพุทธอนุชาธาทองคำเปรียบด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ที่ว่ลอยทวนกระแสน้ํานั้นหมายถึงลอยทวนกระแสจิตของคนธรรมดาสภาพจิตของคนมักไหลเลื่อนลงสู่ที่ต่าําคืออารมณ์อันน่าใคร่น่าพอใจแต่ธรรมของพระพุทธองค์เน้นหนักไปในทางให้ฝึกฝนจิตเพื่อละความใคร่ความพอใจความเมาต่างๆจึงเรียกว่าทวนกระแสดังที่พระองค์ทรงปราลบเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆ และทรงดำริจะโปรดเวนยสัตว์ว่าทาที่เราได้บรรลุนี้ลึกซึ้งเห็นไม่ยากรู้ตามได้ยากสงบประนีตไม่ใช่วิสัยแห่งตักะกคือคิดเอาเองไม่ได้หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดาแต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอจะรู้ได้อันหนึ่งเราสัตว์ทั้งหลายส่วนมากยินดีในอะไร คือกามคุณสัตว์ผู้เห็นป่านั้นอยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพานซึ่งมีสภาพบอกคืนกิเลสทั้งมวลทำตัญหาให้สิ้นดับทุกข์เราจะพึงแสดงคําหรือไม่หนอแล้วถ้าแสดงไปแล้วคนอื่นรู้ตามไม่ได้เราก็จะพึงลำบากเปล่าอย่าเลย อย่าประกาศทมที่เราได้บรรลุแล้วเลยทำนี้อันบุคคลผู้เพียแรแปรไปด้วยราคะโทสัจะรู้ได้โดยง่ายมิได้เลยบุคคลที่ยังยินดีพอใจให้กิเลสย้อมจิตโทความมืดคือกิเลสหุ้มห่อแล้วจะไม่สามารถเห็นได้ซึ่งธรรมที่ทวนกระแสจิตอันละเอียดประนีตลึกซึ้งเห็นได้ยากนี้ ทรงบำริอย่างนี้แล้วจึงน้อมพระทยไปเพื่อเป็นผู้อยู่สบายขวนขวายน้อยไม่ปราถนาจะแสดงธรรมลำดับนั้นพระมหากรุณาซึ่งฝังอยู่ในพระกมลอันบริสุทธิ์มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่พระองค์ทรงปราถนาพุทธภูมิเพื่อขนเวนยสัตย์ให้ข้ามห้วงมหานกคือความเกิดแก่เจ็บและตาย ได้เตือนพระไทยให้หวนลำลึกถึงพระปฏิญญาซึ่งพระองค์ทรงให้ไว้แก่โลกพระไทยกรุณาได้ทูลพระองค์ว่าทำอันไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินคิดกันปรากฏอยู่ในแฝนมคธนานมาแล้วขอพระองค์จงเปิดประตูเพื่อให้บุคคลเดินเข้าไปสู่แดนอมตะเถิดคนทั้งหลายต้องการฟังธรรม ซึ่งพระองค์ผู้ปราศจากมนุิย์ได้ตรัสรู้แล้วขอพระองค์ผู้ไม่โศกมีปัญญาดีจงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทซึ่งสำเร็จด้วยธรรมแล้วมองดูหมูสัตว์ผู้ยังก้าวล่วงความโศกไม่ได้ถูกชาติชราครอบงำคร่ำครวนอยู่พระองค์เป็นประดุจผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นหมูชนได้โดยรอบ โปรดลุกขึ้นเถิดพระมหาวีระผู้ชนะสงครามภายในแล้วพระองค์ผู้ประดุษนายกองเกวียนผู้สามารถนำสัตว์ให้ข้ามพ้นห้วงอันตรายพระองค์เป็นผู้ไม่มีหนี้ขอจงเสด็จเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมเถิดผู้รู้ตามจักมีเป็นแน่แท้พระผู้มีพระภาค ส่งตรวจดูสัตว์โลกด้วยที่ปรจักษสุขได้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในจักษุคือกิเลสน้อยก็มีมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีบ้างอาการชั่วบ้างให้รู้ได้โดยง่ายบ้างให้รู้ได้โดยยากบ้างเหมือนกับบัวสามเหล่าในสระน้ําพระองค์จึงทรงปราลาบกับพระองค์เองด้วยความกรุณาในหมู่สัตว์ว่า เราได้เปิดประตูอามาตะธรรมแล้วผู้อยากฟังจงเงี่ยโสดลงเถิดทีแรกเราคิดว่าจะลำบากเปล่าจึงไม่คิดจะกล่าวทำที่ประนีตโดยง่ายพญานาคนั้นเปรียบด้วยมนุษย์ทั้งหลายซึ่งโดยปกติหลับอยู่ด้วยกิเลสนิทราเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและปลุกให้ตื่นก็ตื่นขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วแล้วก็หลับต่อไป สมัยหนึ่งพระอานนุ์เข้าสู่ที่หลีกเล้นเพื่อหาความสงบโดยลําพังและตึกตรองทำท่านคิดว่ากลิ่นหอมแห่งไม้ที่เกิดจากแก่นก็ดีเกิดจากรากก็ดีเกิดจากดอกก็ดีล้วนแต่ไปได้ตามลมเท่านั้นหาหอมทวนลมไม่กลิ่นอะไรเนอที่สามารถหอมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมเมื่อท่านไม่สามารถตัดสินตกลงใจได้ด้วยตนเอง จึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถึงข้อสงสัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์กลิ่นดอกไม้กลิ่นจันไม่สามารถหอมทวนลมได้แต่กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตบุรุษนั่นแหละสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทั่วลมคนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งกระจรไปได้ทั่วทุกทิศ กลิ่นจันแดงกลิ่นอุบลกลิ่นดอกมะลิจัดว่าเป็นดอกไม้กลิ่นหอมแต่ยังสู้กลิ่นศีไม่ได้กลิ่นศีนยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวลอานอนท์ศีนนี้มีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผลเป็นอนิสงส์อานอนท์เราเคยกล่าวกับพิสุจน์ทั้งหลายไว้ว่า ถ้าพิสุขหวังจะให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีแล้วก็พึงเป็นผู้ทาตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดจริงทีเดียวที่พึ่งอันประเสริฐของกุลบุตรในาศาสนานี้ก็คือศีลซึ่งใครๆไม่อาจกล่าวพรรณนาอานิสงค์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ำใหญ่และน้ำใดๆก็ตามไม่อาจชาระมนทินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคล สามารถชำระมนทินของตนได้ด้วยน้ําคือศีลอะไรเล่าจะสามารถระงับความเล่าร้อนภายในของสัตว์ในโลกนี้ลมหรือฝนหรือจันแดงหรือแสงจันนันยองใหญ่หรือเปล่าเลยสิ่งเหล่านั้นน่ยไม่สามารถทําให้ความเล่าร้อนภายในสงบลงได้ศีลต่างหากล่ะสามารถช่วยให้บุคคลสงบเยือกเย็น กลิ่นอะไรล่ะจะหอมเสมอด้วยกลิ่นแห่งศีลซึ่งสามารถฝุ้งไปได้ทั้งตามลมและทั่วลมบันไดที่จะกล้าวไปสู่ประตูสวรรค์และเข้าไปสู่นครคือนิพพานเสมอด้วยบันไดคือศีลเป็นไม่มีพระราชาผู้ประดับด้วยมุกดามณียังไม่สง่างามเหมือนนักพรตผู้ประดับด้วยอภรณ์คือศีลศีล น, นี้ คอยกำจัดภัยคือการติเตียนตนเองออกซะแล้วก่อให้เกิดความเ อ, อิบอิ่มร่าเริงประหารโทษต่างๆเป็นต้นเขาแห่งคุณความดีต่างชนิดพิสุผู้มีศีลบริสุทธิ์หมดมนทินจะทรงบาทจีวรก็ดูหน้าเลื่อมใสการบรรพชาของพิสุจน์เช่นนั้นเป็นสิ่งมีผลผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมมีใจผ่องแพ้วเพราะมองไม่เห็นโทษแห่งการผู้ศีล เหมือนพระอาทิตย์กำจัดความมืดฉะนั้นพิสุผู้สง่างามอยู่ในป่าคือตบะเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลเหมือนพระจันทร์สว่างอยู่กลางฟ้ามีรัศมีโฉดช่วงเพียงแต่กลิ่นกายของพิสุผู้มีศีลยังทำความปลาโมดแก่ถวยเทศทั้งหลายจะกล่าวยายถึงกลิ่นแห่งศีเล่าสากาละแม้น้อยแต่ทายกําแล้วในท่านผู้มีศีล ย่อมอำนวยผลภัยสาลเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเหมือนภาชนะสำหรับรองรับสการะของทายกเจตของผู้มีศีลย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานอันเยือกเย็ยนเต็มที่มนุษย์ผู้หลงไหลอ ย, อยู่ในโลกิยาลมงมต่อความมันเถิงสุขอันสืบเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพย์สมบัติชาติตระกูลความหรูหราฟุ่งเฟืยยศสัต และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใจอำนาจและความทะนงตนทั้งหมดนี้ทําให้บุคคลมีในตาฝ้าฟางมองไม่เห็นความงามแห่งพระสัทธรรมความเมาในอำนาจเป็นแรงผลักดันที่มีพลังมากพอให้คนทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีอำนาจยิ่งขึ้น แรยิ่งขึ้นพร้อมๆกันนั้นมันทําให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยแสต่อเสียงเรียกร้องของศีลธรรมหรือมนุษธรรมใดๆมันค่อยๆระบายจิตใจของเขาให้ดํามืดไปทีละน้อยทีละน้อยจนเป็นสีหมึกไม่อาจมองเห็นอะไรได้อีกเลยหัวใจที่เล่าร้อนอยู่แล้วของเขาถูกเร่งร้าให้เร่าร้อนมากขึ้น น้วความทยานอยากอันไม่มีขอบเขตไม่ทราบว่าจะไปสิ้นสุดลงที่ไหนวัตถุอังวิจิตการตานั้นช่วยเป็นเชื้อให้ความทยานอยากโหมแรงกลายเป็นว่ายิ่งมีมากยิ่งอยากใหญ่แม้จะมีเสียงเตือนและเลียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าศีลธรรมเป็นเครื่องค้้จุนสังคมและคุ้มครองโลก แต่บุคคลผู้รับรู้และพยายามประคับประคองศีลธรรมมีน้อยเกินไปสังคมมนุษย์จึงวุ่นวายและกรอบเกรียมอย่างน่าวิตกด้วยเหตุนี้มีความพยายามต่างๆของมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งสันติสุขจึงไม่อาจบรรลุจุดประสงค์นั้นได้มีแต่ความวุ่นวายมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นผลที่ได้รับไม่คุ้มเหนื่อย ถ้าเปลียนความพยายามเพื่อบรรลุสันติสุขนั้นเหมือนการค้าก็เป็นการค้าที่ขาดทุนอย่างมากทั้งนี้เพราะมนุษย์ได้เพิกเฉยต่อธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรมแสวงหาเกียรติและความมั่นคงโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นความทุกข์ยากลําบากและความดิ้นรนต่างๆของเพื่อนมนุษย์ซึ่งกระเสือกกระสนไปได้วยดวงใจที่หวาดเวไร้ความหวัง รวมทั้งตัวอย่างชีวิตแห่งผู้ทุจริตโคตโกงแล้วประสบภัยพิบัติในบ้านปลายน่าจะเป็นบทเรียนที่ดียิ่งแต่บุคคลผู้มุ่งแต่ความสุขสมรัตของตนย่อมไม่อาจมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ ในพุทธรมานาสมัยคือการเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงประชนอยู่มาจนกระทั่งบัดนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับจีวรกล่าวคือเครื่องนุ่งห่มของสมัะเดิมทีเดียวพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตให้พิสุสาวกมีผ้าได้เพียงสามผืนเท่านั้นคือจีวรสบงและสังคติผ้าสองชั้นสำหรับห่มหนาว อย่างละผืนอย่างละผืนจะมีมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าจะมีผืนใหม่ต้องสลักผืนเก่าไปทําอย่างอื่นเช่นเป็นผ้าปูล่าเตียงหรือทาเพดานทั้งนี้เพื่อให้พิสุสาวกไม่สะสมจีวรไว้เกินจําเป็นและเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มักน้อยสันโดษอยู่อย่างเบาสบายประพฤตินตนดุสกุณามีบาทและจีวรเป็นเสมือนปีกทั้งสอง อาจโผผินบินไปในเวหาตามต้องการหรือเหมือนเนื้อในป่าเที่ยวไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกผูกมัดได้บ่วงคือบริหารเครื่องกังวลใดๆแต่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นการณวสิกรบุคคลผู้กระทําทุกๆอย่างตามสมควรแก่เหตุผลและความจำเป็นจึงทรงผ่อนผันสิกขาบทปัญญัติอยู่เสมอคราวหนึ่ง พระอานุนได้จีวรพิเศษมาที่เรียกว่าอะดิเร ก, กจีวรหมายถึงจีวรที่นอกเหนือจากผ้าสามผืนดังกล่าวแล้วเนื่องจากท่านมีความคเคารพเลื่อมใสและรักในพระสารีบุตรมากจึงประสงค์จะถวายจีวร น, นั้นแก่พระสารีบุตรแต่เวลานั้นพระสารีบุตรไม่ได้อยู่ณที่นั้นจะเก็บจีวรไม่ได้อย่างไรเพราะมีบทบัญญัติห้ามเก็บอดิเรกจีวรไว้ อาะนุลจริงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบอานน์เวลานี้นะ่ยสารีบุตรอยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ที่เมืองสาเกตพระเจ้าค่ะและประมาณกี่วันละสารีบุตรถึงจะมาถึงที่นี่เนะี่ยประมาณสิบวันพระเจ้าค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นเธอต้องเก็บไวเ้เถอะรอคอยสารีบุตร แล้วแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ทรงผ่อนผันพุทธบัญญัติด้วยพุทธพจน์ว่าพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิสุเก็บอดิเลกจีวรไว้ได้อย่างมากเพียงสิบวันถ้าเกินกว่านั้นจีวร น, นั้นพิสุต้องสละเสียมิฉะนั้นเธอจะต้องอาบัตปาจิตติเพราะถ้าไม่สละของย่อมไม่สามารถปลดเปลื้องอาบัตได้ พระสารีบุตรมาทันตามกําหนดก่อนจะล่วงสิบวันเป็นอันว่าพระอานนุ์ได้ถวายจีวรแก่พระอัครส า, าวกเบื้องขวาได้สมประสงค์กระทั่งปัจจุบันนี้พระสาวกของพระาศาสดาก็ยังปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติเรื่องนี้อยู่เมื่อท่านได้จีวรพิเศษมาถ้าล่วงสิบวันแล้วท่านก็สละให้ภิกษุอื่นไปหรือให้สามเณรก็ได้ และต้องแสดงอาบัติด้วยที่เผลอเก็บจีวรพิเศษไว้เกินสิบวันมีวิธีการดังนี้พิะสุผู้เป็นเจ้าของจีวร น, นั้นออกมานั่งคุกเข่าประนมมือพระสุอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับก็นั่งในท่าเดียวกันพิะสุผู้เป็นเจ้าของจีวรวางจีวรไว้ระหว่างแขนทับมือคงประนมอยู่แล้วกล่าวว่าจีวรผืนนี้ของข้าพระเจ้าเก็บไว้เกินสิบวัน จำเป็นต้องสละข้าพเจ้าขอสละจีวรผืนนี้แด่ท่านเสร็จแล้วตามมารยาศพิกษุผู้รับก็ถวายคืนโดยกล่าวว่าจีวรผืนนี้เป็นของข้าพเจ้าแล้วแต่ข้าพเจ้าขอถวายแก่ท่านท่านจะใช้สอยหรือจะให้ใครหรือจะทําอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรเสร็จแล้วก็มอบจีวรคืนแก่พิสุรูปที่เป็นเจ้าของเดิม คราวนี้มาถึงเวลาที่พิสูจน์เจ้าของจีวรจะแสดงอาบัตท่านจะไปนั่งประนมมือคุกเข่าอยู่ท่าเดิมกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องอาบัตเกี่ยวกับของที่ต้องสลัคือนิสขยิยาข้าพเจ้าขอแสดงอาบัตเรื่องนี้คือยอมรับสารภาพผิดพิสูจอีกรูปหนึ่งจะถามว่าท่านเห็นหรือพิสษจผู้แสดงอาบัตก็ตอบว่าเห็นผู้รับการแสดงจะบอกว่า ถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจสำรวมระวังต่อไปภิกษุผู้แสดงจะให้คำมั่นว่าจะตั้งใจสำรวมระวังต่อไปแต่มีวิธีการที่จะเก็บจีวรได้ตลอดไปโดยไม่จำเป็นต้องอาบัดและไม่ต้องเสียสลัดอยู่อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าวิกัพภิกษุเมื่อได้จีวรพิเศษมาจานวนเท่าใดก็นาออกมาแสดงให้ภิกษุรูปหนึ่งรับทราบและบอกว่า ท่านดินดีเสียสลัจีวรนและผ้าเหล่านี้ให้พิสูุ์อื่นได้ใช้ตามทางวิชาการเรียกว่าวิกัปหมายความว่าทําให้เป็นของสองเจ้าของไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของท่านแต่เพียงผู้เดียวพิสุรูปอื่นจะรับทราบและมอบให้เจ้าของเดิมเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไปเป็นวิธีการที่งดงามมากไม่มีอะไรน่าตําหนิเลยพระพุทธอนุชา ได้ทิ้งมรดกเรื่องนี้ไว้ให้พิสุทิ์ทั้งหลายในการต่อมาได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลช่วยให้สะดวกสบายขึ้นมากทีเดียวควรที่ปัจติมชนจะพึงระลึกถึงปุพภูประการข้อนี้ของพระอานนุ์มหาเถระแม้ขรุขรหก็ควรน้อมระลึกถึงพระคุณข้อนี้ของพุทธอนุชาที่ท่านได้เปิดประตูไว้สําหรับผู้มีศรัทธาได้ทําบุญด้วยจีวร ตามปรารถนาตราบเท่าทุกวันนี้ ฟ้าเริ่มสางแสงสีขาวสา ท, ท่าเป็นแนวยาวทางบุรพอาทิตอากาศแรกรุ่งอรุณเย็นยำ่ำพระพายรํมเพยแผวหอบเอากลิ่นบุปผชาติในเจตวนารามไปตามกระแสรวยลินเสียงไก่ป่าขันอยู่เจื้อเจ้าเคล้ามาตามสายลมวิเวกวังเวงน้ำค้างทุกสลัดลงจากใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่าน กระทบกับใบไม้เหลืองซึ่งหล่นร่วงลงเชตาวนารามเวลานี้ตื่นตัวแล้วอย่างสงบประหนึ่งบุรุษผู้มีกำลังตื่นแล้วจากนิทรารมแต่ยังนอนเฉยอยู่ไม่ไหวกายพระมหาสมณะเอกอัครบุรุษลักอุดมด้วยบุญญาธิการและมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ประทับหลับพระเนศนิ่ง ทรงขายคือพระยานให้แผ่ไปทั่วจักรวาลโลกธ่าตัวดูอุปนิสัยแห่งเวนายสัตว์อันพระองค์พอจะโปรดได้เช้าวันนั้นชาวนาผู้น่าสงสารได้เข้ามาสู่พระยานของพระองค์พออรุณเบิกฟ้าพระาศาสดามีพระพุทธอนุชาอานนท์เป็นปัตชามนตรตามเสด็จออกจากเชตวนาราม ด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐบ่ายพระพักสู่บริเวณนาของบุรุษผู้น่าสงสารนั้นอีกมุมหนึ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่บริโภคอาหารซึ่งมีเพียงผักดองและข้าวแดงพอประทังหิวแล้วนำโคคู่ออกจากคอกแบกไถถือหม้อน้ำออกจากหมู่บ้านสู่บริเวณนาเช่นเดียวกันพระตถาคตเจ้าหยุดยืน ณบริเวณใกล้ๆที่เขากำลังไถนาอยู่นั้นเขาเห็นพระศาสดาแล้วพักการไถไว้มาถวายบังคมพระศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรกับเขาเลยกลับเลี้ยวพระพักไปอีกด้านหนึ่งทอดทัศนาการตรงดิ่งไปยังจุดจุดหนึ่งแล้วตรัสกับพระอนุ์ว่าอานุนเธอจงดูเถอะนั่นอสอรพิษเธอเห็นไหม เห็นพระเจ้าค่ะเพียงเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จต่อไปชาวนาได้ยินพระพุทธดำรัสตราดกับพระอ น, นุนแล้วคิดว่าเราเดินไปมาอยู่บริเวณนี้เสมอถ้าอสรพิษมีอยู่มันอาจจะทำอันตรายแก่เราอย่าปล่อยไว้เลยฆ่ามันซะเถอะคิดแล้วเขาก็นำปะตากไปเพื่อตีงูแต่กลับมองเห็นถุงเงินเป็นจำนวนมาก วางกองรวมกันอยู่เขาดีใจเหลือเกินยกมือขึ้นเหนือเสียง น, น้อมนมัสการพระพุทธองค์ที่โปรดประธานกลุ่มทรัพย์ให้นี่หรืออสรพิษเขาคิดอยู่ในใจพระพุทธองค์ตรัสเป็นปริศนาแบบสมณะเท่านั้นเองที่แท้พระองค์คงตั้งพระไถยเสด็จมาโปรดเรานะแล้วเขาก็นําถุงเงินนั้นไปเอาดินกลบไว้แล้วไถน า, าต่อไปด้วยดวงใจเบิก บ, บาน พระสกยามุนีเมื่อคล้อยไปหน่อยหนึ่งแล้วจึงพินพระพักมาตรัสกับพระ อ, อนนท์ว่า อ, อนน์เราเรียกถุงเงินนั้นว่าอสารพิษวันนี้เองมันจะจัดบุรุษนั้นให้มีอาการสาหัสปางตายถ้าไม่เด้เราเป็นที่พึ่งเป็นพยางเขาจะต้องตายเป็นแน่แท้ตราบอย่างนี้แล้วไม่ยอมตรัสอะไรต่อไปอีก ย, ย, ย้อนหลังไปเพียงเล็กน้อยจากเวลาที่พระศาสดาตราดกับพระอานน์เรื่องอสรบิตณปชิมยามแห่งราตรี ผลซึ่งตกหนักมาแต่ปฐมยามได้เริ่มสางซาลงบ้างแล้วทวยนครกําลังเข้าสู่นิทราลมอันสนิทใครจะนึกบ้างว่าในยามนี้มีมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งกําลังทําความพยายามเข้าไปสู่พระนครเพื่อทรัพย์สมบัติซึ่งตนไม่ได้ลงแรงหามาเลยถูกแล้วเขามีอาชีพเป็นโจรประตูเมืองปิดสนิทมียามรักษาการแข็งแรง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 หญิงผู้ปฏิพัทชายหวังให้เขาชมชายผู้ปฏิพัตหญิงรำพึงถึงเธอด้วยดวงจิตที่จดจอ่อโจรมุ่งหมายทรัพย์ของผู้อื่นหาทางจะขโมยหรือปล้นพระราชากังวลด้วยพระราชภารกิจและสมณะผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสหญิงชายปฏิพัทชูหวังชมเชยนา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 โจรพวกนั้นเข้าไปอยู่ในท่อน้าได้สำเร็จสมประสงค์แล้วทำลายอุโมงค์นตรกูลที่มั่งคั่งตรกูลหนึ่งได้แก้แหวนเงินทองไปเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งถุงเงินด้วยก็นำไปแบ่งกันณที่แห่งหนึง่งแต่บังเอิญเขาได้ลืมถุงเงินไว้เพราะมีของอื่นมากลายจนนำไปแทบจะไม่หมดเมื่อเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นทราบเหตุในตอนเช้าจึงออกติดตาม แล้วมาพบร่องรอยตรงที่โจรแบ่งของกันแล้วตามรอยของชาวนาคนนั้นไปพอดีรอยเท้าประยุดลงที่กองฝุน่นเขาลองเคี่ยดูก็ปรากฏถุงเงินมากหลายจึงแน่ใจว่าชาวนาซึ่งกําลังไถนาอยู่นั้นนะ่ะเป็นโจรแล้วก็ช่วยกันตีเสจนบอบช้าแล้วนําตัวไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่โกสนพระราชาทรงทราบเรื่องราวแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตราชบุรุษ เคี่ยนเขาได้หวายครั้งละหลายเส้นแล้วนำตัวไปสู่ตะแลงแกงในขณะที่กำลังถูกนำไปที่ฆ่านั่นเองเขาพร่มอยู่เรื่องเดียวคือข้อความที่พระาศาสดาตรัสกับพระอ น, นุ orn, นดูก่อนอนุนเธอเห็นอสสารพิษไหมเห็นพระเจ้าค่าเมื่อถูกเคียยนด้วยหวายเขาก็พูดคำนี้จนราชบุรุษประหลาดใจ จึงถามข้อความนั้นเขาบอกว่าท่านนำเขาไปเฝ้าพระราชาเขาจึงจะบอกราชบุรุษนำโตไปเฝ้าพระเจ้าประเสณที่โกศลพระองค์ตรัสว่าดูก่อนกัสกะเพราะเหตุไรละ่ะเธอจึงกล่าวพระดรรหลัดแห่งพระศาสดาและพระพุทธอนุชาอนาุนนนะ่เทวะข้าพระองค์ไม่ได้เป็นโจร แต่ข้าพระองค์นเป็นคนธรรมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตแล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทรงทราบจอมเสนาแห่งแคว้นโกสลสดับคำนั้นแล้วทรงกำลิศว่าชายผู้นี้อ้างเ อ, งอกอัครบุรุษรัตน์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานการลงโทษบุรุษเห็นป่า น, นี้โดยไม่ได้สอบสวนให้แน่นอนอาจเป็นเหตุให้เราต้องเสียใจยไปจนตลอดชีวิต ทรนับถอย่างนี้แล้วรับสั่งให้คุมบุรุษผู้นั้นไว้ก่อนเย็นวันนั้นพระองค์เสด็จไปเฝ้าพระศ า, าสดาและให้นําชาวนานั้นไปด้วยเมื่อถวายบังคมแล้วจึงทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญช้าวันนี้นะ่ะพระองค์และพระกุญจะอานนท์เสด็จไปที่นาของชายผู้นี้หรือเปล่าอย่างนั้นลัมหาบุพิตพระศ า, าสดาทรงตอบพระองค์ได้ทรงเห็นอะไรบ้างหล่ะพระเจ้าข้า เห็นถุงเงินไงมหาพระพิทแล้วพระพุทธองค์ก็ส่งเล่าเรื่องทั้งหมดตรงกับชาวนาเล่าพระเจ้าปรเสนที่โกศลทราบเรื่องนี้ทรงสลดสังเวชพระไทยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกข้าพระองค์รู้สึกเสียใจและไม่สบายใจมากที่สั่งลงโทษบุรุษผู้นี้โดยที่เขาไม่มีความผิดเลยถ้าเขาถูกประหารชีวิต และข่าพระองค์มาทราบภายหลังว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ข่าพระองค์จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งของบุรุษผู้นี้เท่านั้นแต่ทรงอนุเคราะห์ฆ่าพระองค์ให้พ้นจากบาปอีกด้วยฆ่าแต่พระจอมมุนีพระองค์ช่างอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของโลกโดยแท้ตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าประเสรตที่โกศลก็ซบพระเสียรลงแท้พระยุคลบาทพระศาสดา ส่งจุ่มพิษพระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อนสายอย่างสูงซึ่งพระองค์มักทรงกระทำเสมอเมื่อไปเฝ้าพระศ า, าสดาพระตถาคตเจ้าทรงปลอบให้พระราชาเบาพระไทยด้วยพระพุทธลำหลัสเป็นอเนกปรายายตอนสุดท้ายตรัสว่ามหาบาพิษขรหัสผู้ยังบริโโคกามเกียตครานหนึ่งพระราชาทรงประกอบกรณียกิจ โดยไม่ได้พิจารณาโดยรอบครอบถี่ทุวนเสียก่อนหนึ่งบันพระชิตไม่สำรวมหนึ่งผู้อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตแต่มักโกรธหนึ่งสี่จำพวกนี้ไม่ดีเลยมหาบาพิษกรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนใจภายหลังต้องมีหน้าที่ชุ่มด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมนั้นตถาคตกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดี ควรเว้นซะมหาภผิตเมตตาการุณาเป็นพอรอันประเสริฐในตัวมนุษย์พระเจ้าระเศรตที่โกศลทรงบันเทิงด้วยพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาเป็นที่ยิ่งทรงสนทนาต่อไปอีกครู่หนึ่งและถวายบังคมลากลับสนชายชาวนาผู้นั้นทรงกระแสจิตไปตามพระดำรัสของพระาศาสดา สามารถถอนสังโยชน์เบื่องต่ำสามประการได้สำเร็จโสดาปฏิผลเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันด้วยประการชนี ทิศตกดินพระสงฆ์ทั้งโบนก็ประชุมพร้อมกันณอุโบสถคานเพื่อฟังพระโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเองทุกเกึอกเดือนพระมหาสมณะเจ้าเสด็จสุรองอุโบสถแต่ประทับอยู่เฉยหาแสดงพระโอวาทปาติโมกใหม่เมื่อปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพระอนุลพุทธอนุชาจึงนั่งคุกเข่าประนมมือถวายบังคม แล้วกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบัตรนี้ปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพิสุททั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์โปรดทรงแสดงปาติโมกเถิดแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงเฉยอยู่เมื่อมัชจิมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพระอนุ์ก็ทูลอีกแต่ก็คงประทับเฉยไม่ยอมทรงแสดงพระโอวาทปาติโม เมื่ อ, อย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระอานนุ์จึงทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบัด น, นี้ปฐมยามและมัจฉิมยามล่วงไปแล้วการเวลาย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพิสุทธิั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์แสดงโอวาทปาติโมกเถิดพระมหามุนีจึงตรัสว่าดูก่อนอานนุ์ในชุมนุมนี้ ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์มีอยู่อ น, อนุนมิใช่ฐานะที่ตถาคตจะแสดงปฏติโมกในท่ามกลางบริษัทอันไม่บริสุทธิ์ตราจัางนี้แล้วก็ประทับเฉยต่อไปพระมหาโมฆลานะอัครส า, าวกเบื้องซ้ายนั่งเข้าชานตรวจดูว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อันเป็นที่รังเกียจของพระาศาสดา เมื่อได้เห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางสงว่าดูก่อนพิษุท่านออกไปเสถิดพระาศาสดาเห็นท่านแล้วแม้พระมหาเถระจะกล่าวอย่างนี้ถึงสามครั้งพิสุรูปนั้นก็ไม่ยอมออกไปจากชุมนุมสงพระมหาโมคคลานะจึงลุกขึ้นแล้วเดินแขนพิสุรูปนั้นออกไปเมื่อพิสุรูปนั้นออกไปแล้วพระอนุ์ จึงทูลให้แสดงปาติโมกอีกพระศ า, าสดาตรัสว่าอัศาจรรย์จยิงโมกขาลานะนักหนาจริงโมกขาลานะเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วโมคคัพุรุษ ผ, ผู้นั้นถึงกำต้องถูกกระแากออกไปจากหมู่สงเธอช่างไม่มีฮิริโอตปะสำนวจตนเองเสียเลยพิสูจทั้งหลายเป็นอาถานะ เป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะพึงทาอุโบสถแสดงปาติโมกกลางชุมนุมสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์แม้จะมีเพียงรูปเดียวก็ตามภิกษุทั้งหลายโม้าบุรุษผู้นั้นทำให้เราลำบากใจภิกษุทั้งหลายเราขอประกาศให้เธอทั้งหลายทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตจะไม่ทาอุโบสถแสดงปาติโมกอีก ขอให้พิษุทั้งหลายทำกันเองแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัยแปดประการเปรียบด้วยความอัศจ ร, รรย์แห่งมหาสมุทรดังนี้พิกษุทั้งหลายมหาสมุตรย่อมลึกลงตามลำดับลาดลงตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดชันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นมีการศึกษาตามลาดับ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 แม้จะต้องลำบากถึงสีชีวิตก็ตามพิสุทั้งหลายมหาสมุทรย่อซัด ส, สาดซ า, ากศพที่ตกลงไปขึ้นฝั่งเสียไม่ยอมให้รออยู่นานฉันใหนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันั้นสงยอมไม่อยู่รวมด้วยพิสุผู้ทุศีนมีใจบาปมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจ มีการกระทำที่ต้องปกปิดไม่ใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีเป็นคนเน่าในรุงรังสางได้ยากเหมือนกองหยากเยื่อสง์ประชุมพร้อมกันแล้วย่อมขับพิสุนั้นออกเสีย จ, จากหมู่พิสุเช่นนั้นแม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากสงและสงก็ชื่อว่า อยู่ห่างไกลจากพิสษุ์เช่นกันพิสษุ์ทั้งหลายแม่น้ำสายต่างๆย่อมลังไหลลงสู่มหาสมุทรและเมื่อไปรวมกับน้ำในมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อเดิมของตนเสียถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรเหมือนจานหมดฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะบวช ออกจากตระกูลต่างๆวันท้าต่างๆเช่นวันนพรามบ้างกริย์บ้างไวสยะบ้างสูตรบ้างจันทานบ้างแต่เมื่อมาบวชในธรรมวินัยนี้แล้วละวันนะสกุลและโคตรของตนซะถึงซึ่งการนับว่าสมณะสักยะบุตรเหมือนกันหมดผิดษุทั้งหลายความพร่องหรือความเต็มเอ่อย่อมไม่ปรากฏแกมหาสมุท แม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสักเท่าใดน้ำในมหาสมุทรก็หาเหือดแห้งไปไม่แม้แม่น้ำสายต่างๆและฝนจะลางลงมาสู่มหาสมุทรสักเท่าใดมหาสมุทรก็ไม่เต็มฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นแม้จะมีพิสุ์เป็นอันมากนิพพานไปด้วยอนุปาที่เสสานิพพานธาตุแต่นิพพานธาตุ ก็คงอยู่อย่างนั้นไม่พร่องไม่เต็มเลยแม้จะมีผู้เข้าถึงนิพพานอีกสักเท่าใดนิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่เสมอไม่ขาดแคลนหรือคับแคบภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีพูดคือสัตว์น้ำเป็นนันมามีอวัยวะใหญ่และยาวเช่นปลาติมิปลาติมิงคละปลาหวานเป็นต้นฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นมีพูดคือพระอริยบุคคลเป็นจํานวนมากมีพระโสดาบันบ้างมีพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างพระอาราหันต์บ้างจํานวนมากหลายเหลือนับพิสุท์ทั้งหลายมหาสมุทรมีนานารัตนะเช่นมุกดามณีไพฑูรย์เป็นต้นชั้นใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นมีนานาธรรมรัตนะเช่นสติปฐานสี่สมมัิป า, านสี่อิทธิบาทสี่โพชฌงเจ็ดมักมีองค์แปดเป็นต้นพิษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทย่อมมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใ น, นธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรส